เจ็ดสิบสอง s e ็ดสิบสอ t i จ็องเจ็ดสิบสองเดิดิองสองจดสิงจด ฉันต้องจ่ายค่าโรงแรมคคุุณณตตตต้้ตอตต้อองงงื่่นนแเชาาาทมก คุณต้องตรงเวลาที่มอระ บ, บิติทัชนันทาชนาเขาต้องเติมน้ามันอ้นมอรนาปพุนิติเรซวร์ว์เขาต้องซ่อมรถอนมอรปอพรวิทิอัโตเขาต้องล้างรถ ออนม ra ร์ออปรัติออุตโเธอต้องซื้อของอ n นม ra ร์กูปโววัติเธอต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์อ n นม ra ร์จิสติตติสตนันเธอต้องซักเสื้อผ้า on ม ra pra ติบ เราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้มีมั m ร์มาหมออดมักอิจิอูโคลูเราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้มีมัรมาหมออดมักอิจินโปเซเราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้มีมัรมาหมออดมักอิจิด็อกตรู พวกคุณต้องรอรถมมอรเมล์ Vi morate c e a t i autobus พวกคุณต้องรอรถไฟ Vi morate c e a t i v o z พวกคุณต้องรอรถแท็กซี่ Vi morate c e a t i taxi